พระนิพนธ์สมเด็จพระยาสังวรสสมเด็จพระสังฆราชสกวลมหาสังฆปรินายกอันหนึ่งในสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าเองก็มีพระกายไม่สบายเพราะว่ามีอาการผูกไม่ถ่าย มีพระประสงค์จะสวยยาระบายท่านพระอานน์ก็ไปแจ้งแก่หมอชีวกะหมอชีวกะก็ได้ประกอบยาระบายถวายพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงสวยยาระบายแล้วก็มีพระกายสําราญเป็นหมอชีวก ะ, กะผู้นี้ได้เป็นแพทย์ที่มีชื่อเสียงในครั้งพุทธกาลนั้นเป็นอย่างยิ่งและได้มีศรัทธาในพระพุทธศาสนาได้สร้างวัดถวายพระพุทธเจ้าไว้วัดหนึ่งในกรุงราชคฤิสเรียกกันว่าวัดชีวกมพวัน ซึ่งจะได้เล่าต่อไปเมื่อหมอชีวะกะโกมารพัทได้ถวายยาระบายแด่พระพุทธเจ้าจนทรงมีพระกายผาสุกแล้วก็ได้ถวายผ้าคู่สีวัยยกะคือผ้าที่ทําจากแหวนสีผีซึ่งพระเจ้าจันทปัะชดโชกรุงอุชเชนีได้ส่งมาประทานเป็นการตอบแทนในการที่หมอชีวะกะได้ไปถวายการรักษาจนทรงหายจากโรคพร้อมหลืองแด่พระพุทธเจ้าแต่ว่าก่อนที่จะถวายได้ทูลขอพรข้อหนึ่ง พระพุทธเจ้าให้ตรัสว่าพระตถาคตทั้งหลายได้ล่วงพรเสียแล้วหมอชีวะกาก็กราบทูลว่าให้ทรงพิจารณาดูตามสมควรเมื่อสมควรที่จะประทานได้ก็ขอให้ประทานหมอชีวะกะได้ทูลขอให้พิสูก ร, รับกระหวบดีจีวรได้พระพุทธเจ้าก็ได้ทรงอนุญาตก่อนแต่นี้พระพิสูชใช้แต่ผ้าบางสกุลคือเที่ยวเกตผ้าที่เขาทิ้งมาทําผ้านุ่งห่มแม้รับผ้าที่ชาวบ้านถวายหมอชีวะกะ เป็นผู้ที่มาทูลขอให้ทรงอนุญาตให้พิสูรรับผ้าที่นำมาถวายเป็นคนแรกผ้าอย่างนี้เรียกว่าขรหาบดีจีวรในการทรงอนุญาตนั้นก็มีพระพุทธดํารัสตรัสเป็นกลางๆว่าถ้าปรารถนาจะถือผ้าบางสุขุนก็ให้ถือปรารถนาจะรับขรหาบดีจีวรนก็ให้รับแต่ว่าประสารเสริญความสํมฤดธคือความยินดีตามมีตามได้พระพุทธเจ้า ได้ทรงแสดงธรรมอนุโมทนาภาาที่หมอชีวากะถวายให้หมอชีวกะได้เกิดความเห็นแจ่มแจ้งให้เกิดความคิดสมท า, านคือถือปฏิบัติให้เกิดความอาถานให้เกิดความรื่นเริงในธรรมในตอนนี้พระอัจกถาจารย์ได้กล่าวว่าหมอชีวกะได้เกิดดวงตาเห็นธรรมคือเป็นพระโสดาบันรั้นแล้วก็ได้คิดที่จะถวายสวนม่วงที่เรียกว่าอัมพวันของตนให้เป็นอารามเพราะเหตุว่า โดยรุวันนั้นอยู่ไกลส่วนอัมพวันคือส่วนน้ำม่วงของตนอยู่ใกล้กว่าสะดวกที่จะไปมาจึงได้ทูลถวายส่วนน้ำม่วงของตนให้เป็นอารามคือให้เป็นวัดปรากฏว่าพระพุทธเจ้าได้เสด็จไปประทับที่อัมพวันของหมอชีวกะโกมารพัทนี้เป็นบางครั้งบางคราวครั้งหนึ่งเมื่อพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่อัมพวันนั้นหมอชีวกะโกมารพัทได้เข้าไปเฝ้าและได้กราบทูลถามว่า ตนได้ยินเขาพูดกันว่ามูชนฆ่าสัตว์อุทิศพระสมณโคดมพระสมณโคดมก็ทรงทราบอยู่และก็สวยเนื้อสัตว์ที่เขาฆ่าอุทิศอันเรียกว่าอุทิศ ส, สัมมังศร์รอยเป็นปานาติบาตกรรมพ่วงอาศัยไปด้วยที่เขาพูดอย่างนี้เป็นการพูดจริงตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงประกอบอย่างนั้นหรือว่าเขาพูดเป็นการกล่าวตูด้วยคําไม่จริงพระพุทธเจ้าก็ตรัสตอบว่า ที่เขาพูดกันดังนั้นไม่ใช่เป็นการพูดตามที่พระองค์ปฏิบัติเป็นการตู่พระองค์ด้วยคําไม่เป็นจริงเพราะว่าพระองค์ได้ตรัสว่าเนื้อสัตว์ที่พิสูจไม่ควรบริโภคนั้นประกอบด้วยฐานะสามคือด้วยการเห็นด้วยการได้ยินด้วยการรังเกียจสงสัยการเห็นคือเห็นเขาฆ่าเพื่อจะเอามาถวายได้ยินนั้นก็คือได้ยินเขาพูดว่าเขาฆ่าจะเอามาถวายด้วยรังเกียจสงสัยก็คือ ไม่ได้เห็นไม่ได้ยินแต่มีจิตรังเกียจสงสัยว่าเขาฆ่ามาถวายพระองค์ตรัสว่าเนื้อไม่ควรบริโภคด้วยฐานะทั้งสามนี้และพระองค์ตรัสว่าเนื้อที่ควรจะบริโภคนั้นประกอบด้วยฐานะทั้งสามตรงกันข้ามคือด้วยไม่ได้เห็นด้วยไม่ได้ยินด้วยไม่ได้รังเกียจสงสัยต่อมาก็ตรัสว่าภิกษุในธรรมวินัยนี้ได้อาศัยความมนิคม แห่งใดแห่งหนึ่งอยู่โดยความเป็นผู้ที่มีใจประกอบด้วยเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาแผ่บารมทิศที่หนึ่งในทิศที่สองในทิศที่สาในทิศที่สี่ในเบื้องบนในเบื้องล่างเธอเป็นผู้มีใจประกอบด้วยพรหมวิหารธรรมทั้งสี่นั้นอันไพบูรณ์อันกว้างก ว, างกวางไม่มีประมาณไม่มีเวรไม่มีความคิดเบียดเบียนแผ่ไปตลอดโลกทั้งหมดในที่ทุกสถานโดยประการทั้งปวง ครหาพอดีหรือบุตรกรหาพอดีเข้าไปหาเธอและนิมนต์ด้วยพัดในวันรุ่งเมื่อเธอประสงค์ก็รับนิมนต์และเมื่อเธอได้เข้าไปในบ้านตามที่รับนิมนต์นั้นเขาขอังคาา ด, ด้วยบินทบาทเธอก็มิได้มีความคิดขอให้เขาอังค่า ด, ด้วยบินทบาทประนีคือคิดห่วงให้เขาอังค่า ด, ด้วยบินทบาทประนีอย่างนี้อย่างนี้เธอฉันบินทบาทด้วยการพิจารณาเห็นโทษและใช้ปัญญาที่แล่นออกคือไม่ได้บริพโลกด้วยตัณหาเมื่อเป็นเช่นนี้ พิสูจนั้นจะชื่อว่าเป็นผู้มีเจตนาความจงใจเพื่อที่จะเบียดเบียนตนเพื่อจะเบียดเบียนผู้อื่นหรือว่าเพื่อจะเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายบ้างหรือหมอชุบการกราบทูลว่าถ้าพิสูจน์เป็นผู้เจริญพรมวิหารธรรมทั้งมีการพิจารณาในการฉันบิณาบาตอย่างนั้นก็ไม่เป็นผู้มีเจตนาเพื่อเบียดเบียนตนและผู้อื่นพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าเมื่อเป็นเช่นนี้เธอก็เป็นผู้ชื่อว่า ฉันอาหารโดยไม่มีโทษไม่ใช่หรือหมอชีวกาศ ก, ก็กราบทูลรับว่าเป็นอย่างนั้นเมื่อเธอเป็นผู้ปฏิบัติและทำใจได้อย่างนั้นก็เป็นผู้ที่ฉันอาหารไม่มีโทษหมอชีวกาศ ก, กราบทูลต่อไปว่าตนได้เคยฟังมาว่าพรมเป็นผู้ที่เป็นเมตตาวิหารีอยู่ด้วยเมตตากรุณาวิหารีอยู่ด้วยกรุณามุทิตาวิหารีอยู่ด้วยมุทิตาอุเบกาวิหารีอยู่ด้วยอุเบกขา ตนเห็นพระพุทธเจ้าได้ทรงเป็นสัขีพยานเพราะว่าพระพุทธเจ้าทรงเป็นผู้มีเมตตาวิหารีเป็นต้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสต่อไปว่าบุคคลใดยังมีพยาบาทคือว่ายังมีความมุ่งร้ายมุ่งความพิบัติด้วยอํานาจของราคะโทสะโมหะอันใดราคะโทสะโมหะอันนั้นของบุคคลนั้นไม่มีแก่พระพุทธเจ้าเพราะว่าทรงละได้เด็ดขาดแล้วต่อจากนี้ ก็ได้ตรัสว่าบุคคลผู้ที่ฆ่าสัตว์ถวายพระพุทธเจ้าหรือสาวกของพระพุทธเจ้าอันเรียกว่าอุทิศมังสะนั้นย่อมประสบสิ่งที่ไม่ใช่บุญด้วยฐานะห้าคือเมื่อสั่งเขาว่าจะไปนําสัตว์ที่โน้นมาก็เป็นผู้ประสบสิ่งที่ไม่ใช่บุญเป็นประการแรกเมื่อเขานําสัตว์นั้นมาด้วยวิธีผูกคอล่ามาเป็นต้นทําให้สัตว์นั้นได้รับความทุกขโทมนัสเป็นอันมากก็ชื่อว่า ประสบสิ่งที่ไม่ใช่บุญเป็นประการที่สองเมื่อสั่งเขว่าจงไปฆ่าสัตว์นี้ก็ชื่อว่าได้ประสบสิ่งที่ไม่ใช่บุญเป็นประการที่สามเมื่อสัตว์นั้นกําลังถูกฆ่าก็ชื่อว่าได้ประสบสิ่งที่ไม่ใช่บุญเป็นประการที่สี่และเมื่อได้ถวายให้พระตถาคตหรือว่าพระสาวกของพระตถาคตฉันด้วยสิ่งที่เป็นอกกับปียาหรือสิ่งที่ไม่สมควรก็ชื่อว่าได้ประสบสิ่งที่ไม่ใช่บุญเป็นประการที่ห้า เมื่อตรัาตัณี์แล้วหมอชีวะกะโกมรารพัทก็กราบทูลสารเสวนพระพุทธภาสิทธิ์และได้กล่าวรับรองว่าภิกษุทั้งหลายเป็นผู้ฉันอาหารเป็นกัปปิยะคือสิ่งที่สมควรชั้นอาหารที่เป็นอนัตวัชชะคือสิ่งที่ไม่มีโทษและได้ประกาศตนเป็นอุบาสกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะตลอดชีวิตพระสูตรนี้เรียกว่าชีวกาสูตร ได้ตราแสดงเพราะเหตุที่หมอจิวกะโปมรารพัทได้กราบทูลถามและได้มีเนื้อความเป็นการแก้ปัญหาที่ว่าทำใหมห้ามให้ฆ่าสัตว์และภิกษุจึงฉันเนื้อสัตว์อีกกล่าวโดยย่อว่าไม่ได้กล่าวอนุญาตด้วยประการทั้งปวงไม่ได้กล่าวห้ามด้วยประการทั้งปวงคือว่าห้ามเนื้อที่เป็นอุทิศมังสะหรือเนื้อที่เขาฆ่าอุทิศเจาะจงภิกษุได้เห็นได้ฟังหรือว่าได้สงสัย และสรงห้ามเนื้อสิทธิ์จำพวกมีเนื้อมนุษย์เนื้อหมีเนื้อช้างเป็นต้นกับทรงห้ามเนื้อดิบส่วนเนื้อนอกจากนั้นไม่ใช่เนื้อที่เป็นอุทิศมังสาไม่สงห้ามแต่ในการที่จะฉันเนื้อชนิดที่ไม่เป็นโทษนั้นก็ต้องทําใจด้วยคือต้องมีใจประกอบด้วยพรหมิหารธรรมและไม่มีความมุ่งหมายว่าจะต้องได้อาหารอย่างนั้นอย่างนี้บางทีไปฉันไม่พบอาหารที่มีเนื้อเข้าก็นึกว่าเนื้อไม่มีเลย คิดแับไปอย่างนั้นบางทีก็เป็นบาปไปหน่อยเหมือนกันเพราะฉะนั้นอย่าตั้งเจตนาอย่างนั้นเมื่อเขานํามาถวายอย่างใดก็สันโดษคือยินดีอย่างนั้นไม่ให้ใจวอกแวกไปทางจะ ก, กินเนื้อสัตว์ก็เมื่อรักษาอย่างนี้แล้วก็ได้ชื่อว่าได้ฉันอาหารเป็นกัปปิยะฉันอาหารเป็นอนัวัชชะคือไม่มีโทษตามพระสูตรนี้อันหนึ่งพระเป็นผู้ที่มีชีวิตเนื่องด้วยผู้อื่น เมื่อผู้อื่นเขาปรุงอาหารที่เป็นเนื้อสัตว์ทั่วไปถ้าจะถือไม่ฉันก็เป็นการลำบากเพราะเขาจะต้องไปจัดเตรียมอาหารพิเศษมาให้เพราะฉะนั้นจึงตัดบทสิว่าเมื่อไม่ใช่เนื้อที่ห้ามดังกล่าวแล้วนั้นเมื่อเขาถวายอย่างใดจะมีเนื้อสัตว์หรือไม่มีก็ตามก็พิจารณาฉันได้ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นการบัญญัติลงไปด้วยเหตุผลและการปฏิบัติที่พอเป็นไปได้ ในเมื่อที่จะอาศัยประชาชนอยู่ดังนี้ก็พอเหมาะพอสมพระมหากัติยานะพระเจ้าปัจฉชดกรุงอุจเชนีซึ่งหมอชีวกาโกมารพัฒไปรักษาและได้ทรงส่งผ้าศิวิยากะมานอกจากเป็นผู้ที่เกรดสั ป, ปิหรือเนยใสแล้วยังได้ชื่อว่าเป็นผู้ดุร้ายจึงมีคำเรียก อ, อีกคำหนึ่งว่าพระเจ้าจันทปัชชเติมคำว่าจันทะไว้ข้างหน้าซึ่งแปลว่า พระเจ้าประจัชรชดผู้ดูร้ายและโปรดสวยน้ําจันทร์แต่ว่าเป็นผู้ที่เลื่อมใสพระพุทธศาสนาเมื่อได้ข่าวว่าพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นในโลกก็คิดที่จะเชิญเสด็จพระพุทธเจ้ามาสู่กรุ่มอุจเชนีเมื่อปรึกษาว่าจะทรงใครไปเชิญเสด็จก็เห็นสมควรว่าปุโรหิตของกลุ่มนั้นชื่อว่าการจนะเรียกโดยโคดว่ากัจจายนะเป็นผู้ที่ควรเป็นทูตไปเชิญเสด็จได้ จึงได้มอบหมายให้กาเจนะปุโรหิตหรือว่ากาจัจจายนาปุโรหิตไปทูลเชิญเถเ ด, ดกจกัจจายนาปุโรหิตนั้นก็ทูลรับว่าจะไปเชิญเถด็จแต่ว่าขอประทานอนุ ญ, ญาตบวชในสำนักพระพุทธเจ้าพระเจ้าปัจจัจโ ช, ชก็ประทานอนุญาตกาจัจจายนาปุโรหิตพร้อมกับผู้ร่วมทางอีกเจคนรวมเป็นแปคนได้เดินทางไปกรุงราชคฤึดและขอบวชในสำนักพระพุทธเจ้าเมื่อบวชแล้ว ก็บำเพ็ญเพียรจนสําเร็จพระอาหารหันด้วยการทั้งแปดรูปกัจจายนาปุโรหิตผู้นี้มีเล่าว่าในประวัติของท่านว่าท่านเป็นบุตรของสกุลพราหมณ์ปุโรหิตในกรุงอุชเฉนีเป็นผู้มีวันนางดงามใช้คําว่าส่วรนาวันูคือมีวันนะเพียงวันนาของทองซึ่งคํานี้เป็นคําที่ใช้สรรเสริญวันณาของพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นจึงได้ชื่อว่ากัจจนะแต่มักจะเรียกโดยโคดว่ากัจจยนะ เมื่อบิดาสิ้นชีวิตก็ได้สืบตําแหน่งแทนบิดาตั้งแต่มาบุตแล้วก็เรียกว่าพระมหากัจจายนะเทระเมื่อท่านได้บรรลุถึงผลอันสูงสุดในพระพุทธศาสนาแล้วท่านก็ได้กราบทูลเชิญเสด็จพระพุทธเจ้าไปกรุงอุทเฉนีพระพุทธเจ้าตรัสว่าให้ท่านกัจจายนะไปเองเถิดเพราะว่าเธอสามารถแต่อย่างราชตระกูลและประชาชนในกรุงอุทเฉนีให้เลื่อมใสได้เพราะฉะนั้นพระมหากัจจายนะ พร้อมด้วยพระผู้ร่วมเดินทางอีกเกตรูปก็เดินทางไปกรุงอุจเฉียนีในระหว่างทางก็ได้ไปถึงนิคมคืออำเภอแห่งหนึ่งชื่อว่านาริในานารินิคมนี้ได้มีทิดาของเศรษฐีที่ตกยากคือเกิดในขนาดที่กำลังตกยากแล้วแต่เป็นผู้ที่มีผมยาวและงดงามทิดาของเศรษฐีอิสกุลหนึ่งเป็นผู้มั่งคั่งมีแต่ว่าขัดสนผมธิดาเศรษฐีคนที่ขัดสนผมนี้ ได้ส่งคนไปขอซื้อผมของอีกคนหนึ่งให้ราคามากมายทิดาเศรษฐีผมดกแต่ว่าตกยากผู้นั้นก็ไม่ยอมขายผมให้เมื่อพระมหากัจยนาเถระและพระผู้ร่วมเดินทางได้ไปถึงนิคมนั้นได้ออกบิณฑบาตถือบาตรเปล่าเดินไปทิดาของเศรษฐีตกยากให้คนไปนิมนต์เข้ามาในเรือนแล้วก็ได้เข้าไปในห้องตัดผมของตนออกให้พี่เลี้ยงนำผมไปขายให้แก่ทิดาของเศรษฐีคนที่ขัดสนผมสั่งไว้ว่า เมื่อได้เท่าไหร่ก็ให้ซื้ออาหารมาเพื่อใส่บาตพี่เลี้ยงนั้นก็นําผมไปขาให้แก่ทิดาเศรษฐีคนที่ขสนผมทิดาของเศรษฐีผู้นั้นก็บอกว่าไม่ควรจะให้ราคาสูงดังที่ติดต่อกันมาก่อนเพราะว่านําให้อย่างนี้เป็นผมที่ปราศจากค่าเหมือนผมของคนตายจึงได้ให้ราคาเพียงแปดกหาปณ ะ, ะเท่านั้นพี่เลี้ยงก็นำเงินแปดกหาปณ ะ, ะไปซื้ออาหารแบ่งเป็นแปดส่วน แล้วนำไปให้ธิดาของเศรษฐีใส่บาดแก่พระพิสุทั้งแปดรูปนั้นพระมหากัจจายนะพร้อมทั้งพระอนุจรทํทำพัตกิจแล้วออกจากบ้านนั้นก็ตรงไปยังกรุงอุชเชนีไปพักอยู่ในอุทยานการจนาวันของพระเจ้าแผ่นดินคนรักษาอุทยานจำได้ก็เข้าไปกราบทูลพระเจ้าปัทชโชธให้ทรงทราบ พ, พระเจ้าปัทชโชได้เสด็จมาทรงพบแล้วตรัสถามว่าพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่ไหน พระมหากัจจยนะทูลตอบว่าไม่ได้เสด็จมาเองโปรดให้ท่านมาพระเจ้าแผ่นดินก็ตรัสถามระยะทางที่มากับอาหารการขบฉันท่านก็ได้เล่าถวายตามเรื่องที่เป็นมาพระเจ้าพัดชดทรงนิทรดับก็ทรงนิยมฉุมชื่นโปรดให้ไปรับทิดาเศรษฐีตกหญ้ามาเป็นพระมเหสีอีกองค์หนึ่งต่อมาพระมเหสีองค์นี้ได้ประสูติพระราชกุมารพระราชบิดาทรงตั้งพระนามตามชื่อของเศรษฐีผู้เป็นป่าว่า โคปาละกุมารและพระเทวีก็มีชื่อว่าโคปรมาตาเทวีพระเทวีได้โปรดให้สร้างวิหารถวายพระมหากัจจานะเทระในอุทยานกันจนะวันนั้นพระมหากัจจานะเทระเป็นผู้สามารถในการขยายความย่อนให้พิศดารต่อมาในภายหลังเมื่อท่านได้ไปฟ้าวพระพุทธเจ้าอย่างพระเทตวันกรุงสาวัตถี ท่านแสดงขยายความพาสิทธิที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้โดยย่อแบบแต่งประทูนี่แหละภาสิทธ์ของท่านนั้นพระอาจารย์ผู้สังฆยานาพระธรรมวินัยได้รวบรวมไว้มากเช่นประตูปินนกทีกสูตรพระพุทธเจ้าได้ทรงปารพเหตุ น, นี้จึงได้ทรงยกย่องให้ท่านเป็นเอภกภพคะในทางขยายความย่อให้พิสดารโดยเฉพาะท่านได้ทําให้เกิดความเลื่อมใสนับถือพระพุทธศาสนาในกรุงอุตเชนีเป็นอันมาก ได่มีกลบุตรในกรุงอุทเฉนีออกบูชกันมากในเมืองไทาเรานี้ได้รู้จักท่านในรูปนั่งที่เป็นพระอ้วนอ้วนทาไมจึงได้สร้างรูปของท่านให้อ้วนนั่งพุงพรุยอย่างนั้นไม่พบหลักฐานให้บาลีและอัตกถาเป็นแต่เคยได้ยินมาว่าท่านเป็นผู้มีวรรณะงดงามจนมีผู้เข้าใจว่าเป็นพระพุทธเจ้าหลายครั้งหลายหนท่านจึงอธิษฐานให้องค์อ้่นอย่างนั้นเราก็มาสร้างรูปท่านเป็นพระอ้วน พระอว้วนนี้ของพมา่ามอญก็มีคือพระอุปกุดที่เราเรียกว่าพระโบเข็มของจีนก็มีคือพระสีอ่านเป็นที่นิยมว่าเป็นเครื่องหมายของความสุขสมบูรณ์ไทยเราอาจจะสร้างพระอว้วนขึ้นเป็นเครื่องหมายของความสุขสมบูรณ์เหมือนอย่างพมา่ามอญจีนดังกล่าวก็ได้ในพระบาลีนั้นมักไม่ได้ระบุ ก, การเวลาแห่งการบําเพ็ญพุทธกิจไว้ในชั้นอัตถตาก็มักไม่ระบุไว้ แต่มีระบุไว้มากกว่าในพระบาลีฉะนั้นในการจัดว่าสมบัเพ่นธกิจอะไรในปีไหนจึงจัดตามที่มีระบุไว้ชัดบ้างตามสันนิษฐานบ้างตามเรื่องราวบ้างดังเช่นเมื่อเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในกรุงราชคฤิสอันส่องความว่าเป็นในระยะต้นมีเหตุผลที่ส่องความอย่างนั้นเช่นประธานอุปสมบทด้วยเอหีภิคุอุปสัมปทาซึ่งทรงใช้อยู่ในระยะต้นและเหตุประกอบอีกบางอย่าง ก็จัดเข้าในพรรษาที่สองสาสด้วยมีอีกเรื่องหนึ่งที่หนังสือเล่มนี้บอกว่าเกิดขึ้นในพรรษาที่สแต่เป็นเรื่องเกี่ยวแก่บุคคลคือในอัจฉริยธรรมบทเล่าว่าบุตรเศรษฐีในกรุงราชคริสผู้หนึ่งชื่อว่าอุคเสณครั้งหนึ่งได้มีคณะนาฏ ก, กะคือคณะนาฏศิลป์คณะหนึ่งมาสแสดงในกรุงราชคฤิสและมีการแต่ราวซึ่งใช้ไม้ไผ่ต่อตั้งผ้าขึ้นไปในอากาศ มีนักสแสดงไต่ขึ้นไปเดินบนราวนั้นและฟ้อนรําขับร้องบุตรเศสถีอุกเสนได้ไปดูก็เกิดความพอใจในธิดา น, นักฟ้อนผู้หนึ่งกลับมาบ้านก็ลงนอนไม่ยอมแต่ต้องอาหารบอกว่าถ้าไม่ได้ก็ได้ยอมตายบิดามัรดาก็ส่งคนไปขอเขาก็ไม่ยอมยกให้บอกว่าถ้าพอใจก็ให้ตามคณะเข้าไปเขาจึงจะยอมให้บุตรเศษถีนั้นก็ยอมตามคณะนั่งไปและก็ได้ทิดา น, นักฟ้อนนั้นตามประสงค์ ต่อมาเมื่อมีบุตรพันยาก็สอนให้บุตรพูดว่าเป็นลูกของคนเทียมเกวียนเป็นลูกของคนยกสิ่งของคือว่าบุตรเศรษฐีนั้นไม่มีศิลปะในทางนั้นก็ต้องเชื่อคณะในการจัดเกวียนในการเลี้ยงโคและในการยกทัพสัมภาระเมื่อได้ฟังภริยาพูดหมิ่นดังนั้นก็คิดว่ามานะของภริยานั้นเกิดขึ้นเพราะอะไรก็จับได้ว่าเพราะตนเองไม่มีศิลปะจึงเกิดความตั้งใจที่จะศึกษาไปหาบิดาของภริยาขอศึกษาศิลปะ จนเป็นผู้สามารถแสดงได้เป็นอย่างดีในคราวหนึ่งได้มาจะแสดงในกรุงราชคฤิสและได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าบทหนึ่งที่แปลใจความว่าจงปล่อยในเบื้องต้นจงปล่อยข้างหลังจงปล่อยในท่ามกลางเป็นผู้ถึงที่สุดแห่งพบบุคคลผู้มีใจวิมุตติแล้วในที่ทั้งปวงจะไม่เข้าถึงชาติและชาราต่อไปอีกก็ได้ขออุสมบทเป็นภิกษุพระพุทธเจ้า กด้ประทานให้เป็นพิกษุด้วยเอหิพิกขุอุปสัมปทาโปรดติดตามรับฟัง45ภาษาของพระพุทธเจ้าพระนิพนธ์สมเด็จพระญานสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกุลมหาสังฆปริณายกได้ใหม่ในตอนต่อไป